ส, สูว่าด้วยตปุษะคหบดีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในนิคมของชาวมันละชื่อว่าอุรุเวลกัปปะแควนมันละครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกทรงถือบาทและจีวอนสเสด็จเข้าไปยังนิคมชื่ออุรุเวลกัปปะเพื่อบินทบาทครั้นแล้วสเสด็จกลับจากบินบาท หลังจากสเสวยพระกริยาหานเสร็จแล้วรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์เธอจงรออยู่ที่นี้ก่อนจนกว่าเราจะไปถึงป่ามหาวันเพื่อพักผ่อนกลางวันท่านพระอนนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จดำเนินไปถึงป่ามหาวันแล้วจึงประทับนั่งพักผ่อนกลางวันที่โคนไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นแล ตปุสาข้าพเดีเข้าไปหาท่านพระอานนุ์ถึงที่อยู่อภิวาท่านพระอานุ์แล้วนั่งนั่ที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระอานุ์ดังนี้ว่าท่านพระอานุ์ผู้เจริญพวกกระผมเป็นเคราะห์เป็นกามโขคีมีการเป็นที่ยินดีรื่นรมในกามบันเทิงในกามเน่ขมมะจึงปรากฏดุทเหวแก่พวกกระผมผู้เป็นเคราะห์เป็นกามโขคีมีการเป็นที่ยินดี รื่นรมในกามบันเทิงในกามท่านพระอา น, นุ์ผู้เจริญกระผมได้ทราบมาดังนี้ว่าจิตของภิกษุหนุ่มๆในพระธรรมวินัยนี้ย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นในเนคขมะหลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าเนคขมะนั่นสงบท่านผู้เจริญภิกษุในธรรมวินัยนี้มีส่วนต่างกับคนส่วนมากเคือเนคขมะหรือท่านพระอ น, นุ์กล่าวว่า ข้าบดีมีเหตุแห่งถ้อยคำที่จะเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้มาเถิดข้าบดีเราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วจะกราบทูลเนื้อความนี้แด่พระผู้มีพระภาคจากทรงจำเนื้อความตามที่พระผู้มีพระภาคจะทรงตอบแก่พวกเราตปุสะขหบดีรับคำท่านพระอานนท์แล้วลาดับนั้นท่านพระอานนท์พร้อมด้วยตปุสะข้าบดี เข้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตปุษาข้าพเดีนี้ได้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านพระอา น, นุนผู้เจริญพวกกระผมผู้เป็นครหัตเป็นกามโขคีมีการเป็นที่ยินดีรื่นรมในกามบันเทิงในกาบนี่คัมมะ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 ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มีส่วนต่างกับคนส่วนมากคือเนคขมมะหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นอ น, น์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นอ น, น์แม้เราเองก่อนจะตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่นั่นแลได้มีความดำริดังนี้ว่าเนคขมมะเป็นความดีความสงบเป็นความดี จิตของเรานั้นไม่แล่นไปไม่เลือ่อมใสไม่ตั้งมั่นในเนคขมะไม่หลุดพน้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าเนคขมะนั่นสงบเรานั้นจึงมีความดาริดังนี้ว่าอะไรหนอแหลเป็นเหตุเป็นปัจใจัยให้จิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในเนคขมะไม่หลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าเนคขมะนั่นสงสสบเราจะมีความดาริดังนี้ว่า โทษเนกามทั้งหลายเรายังไม่ได้เห็นและไม่ได้ทำให้มากและอนิสงฆ์ในเนคขมะเรายังไม่ได้บรรลุและไม่ได้เสพเพราะเหตุนั้นจิตของเราจึงไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในเนคขมะไม่หลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าเนคขมะนั่นสงบเราจึงมีความดำริดังนี้ว่าถ้าเราเห็นโทษเนกามทั้งหลายแล้วทาให้มาก ได้บรรลุอนิสงในเนคขมะแล้วเสรออนิสงนั้นเป็นไปได้ที่จิตของเราจะเพลงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นในเนคขมะหลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าเนคขมะนั่นสงบต่อมาเราได้เห็นโทษในกรรมทั้งหลายแล้วทำให้มากได้บรรลุอนิสงในเนคขมะแล้วเสพอนิสงนั้นจิตของเราจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นในเนกขมะหลุดพ้น เมื่อพิจารณาเห็นว่าเนคข ม, มะนั่นสงบอานอนท์เราสงัดจากกรมและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยกรมยังฟุ้งขึ้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่เราทุกพึงเกิดขึ้นแก่คนผู้มีสุขก็เพียงเพื่อความกดดันฉันใด สัญญาและมนุษการที่ประกอบเรื่องกามย่อมฟุ้งขึ้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่เราฉันนั้นอาโ น, น์เราจึงมีความดำริดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรบรรลุทุติยฌานและถึงจิตของเรานั้นไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในทุติยฌานที่ไม่มีวิตกไม่หลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าทุติยฌานนั่นสงบ เรานั้นจึงมีความดําริดังนี้ว่าอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในทุติยฌานที่ไม่มีวิตกไม่หลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าทุติยฌานนั่นสงบเราจึงมีความดําริดังนี้ว่าโทษในวิตกเรายังไม่ได้เห็นและไม่ได้ทําให้มากอนิสง์ในทุติยฌานที่ไม่มีวิตกเรายังไม่ได้บรรลุและไม่ได้เสพ เพราะเหตุนั้นจิตของเราจึงไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในทุติยชาตที่ไม่มีวิตกไม่หลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าทุติยชาต น, นั่นสงบเราจึงมีความคิดดังนี้ว่าถ้าเราเห็นโทษในวิตกแล้วทำให้มากได้บรรลุ อ, อนิสงในทุติยชาตที่ไม่มีวิตกแล้วเสพอนิสงนั้นเป็นไปได้ที่จิตของเราจะพึงเล่นไปเลื่อมใส ตั้งมั่นในทุติยชาตที่ไม่มีวิตกหลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าทุติยชานนั่นสงบต่อมาเราได้เห็นโทษในวิตกแล้วทำให้มากได้บรรลุอนิสงในทุติยชาตที่ไม่มีวิตกแล้วเสรอาอนิสงนั้นจิตของเราจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นในทุติยชาตที่ไม่มีวิตกหลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าทุติยชานนั่นสงบอานนท์ เราบรรลุทุติยฌานละถึงเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนัิการที่ประกอบด้วยวิตกยังฟุ้งขึ้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่เราทุกพ์พึงเกิดขึ้นแก่คนผู้มีสุขเพียงเพื่อความกดดันฉันใดสัญญามนัิการที่ประกอบด้วยวิตกย่อมฟุ้งขึ้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่เราฉันนั้นอาน o ์เราจะมีความดำริดังนี้ว่า ทางที่ดีเราควรเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายเพราะปิติจางคลายไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขจิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในตติยฌานที่ไม่มีปิติไม่หลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าตติยฌานนั่นสงบเราจึงมีความดาริดังนี้ว่า อะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในตติยฌานที่ไม่มีปีติไม่หลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าตติยฌานนั่นสงบเรามีความดำริดังนี้ว่าโทษในปีติเรายังไม่ได้เห็นและไม่ได้ทำให้มากอนิสงในตติยฌานที่ไม่มีปีติเรายังไม่ได้บรรลุและไม่ได้เสพ เพราะเหตุนั้นจิตของเราจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในตติยฌานที่ไม่มีปิติไม่หลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าตติยฌานนั่นสงบเราจึงมีความดําริดังนี้ว่าถ้าเราเห็นโทษในปิติแล้วทําให้มากได้บรรลุอนิสง์ในตติยฌานที่ไม่มีปิติแล้วเสพอนิสง์นั้นเป็นไปได้ที่จิตของเราจะพึงแล่นไปเลื่อมใส ตั้งมั่นในตัติยฌานที่ไม่มีปีติหลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าตัติยฌานนั่นสงบต่อมาเราได้เห็นโทษในปีติแล้วทำให้มากได้บรรลุอนิสงในตติยฌานที่ไม่มีปีติแล้วเสพอนิสงนั้นจิตของเราจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นในตัติยฌานที่ไม่มีปีติหลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าตัติยฌานนั่นสงบอานนท์ เพราะปีติจางคลายไปเราจึงบรรลุตติยฌานละถึงเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสสการที่ประกอบด้วยปีติยังฟุ้งขึ้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่เราทุกเพิ่งเกิดขึ้นแก่คนผู้มีสุขเพียงเพื่อความกดดันฉันใดสัญญามนสิการที่ประกอบด้วยปีติย่อมฟุ้งขึ้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่เราฉันนั้นอานน เราจึงมีความดำริดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์และไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัตและโทมนัดดับไปก่อนแล้วมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่จิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์และไม่มีสุขไม่หลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าจตุตถฌานนั่นสงบ เราจึงมีความคิดดังนี้ว่าอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในจัตุตชฌานที่ไม่มีทุกข์และไม่มีสุขไม่หลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าจะตุตถฌานนั่นสงบเรามีความดำริดังนี้ว่าโทษในอุเบกขาและสุขเรายังไม่ได้เห็นและไม่ได้ทำให้มากอนิสงส์ในจัตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์และไม่มีสุข เรายังไม่ได้บรรลุและไม่ได้เสพเพราะเหตุนั้นจิตของเราจึงไม่ดั่นไปไม่ลื่มใสไม่ตั้งมั่นในจตุทัชฌานที่ไม่มีทุกข์และไม่มีสุขไม่หลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าจตุทัชฌานนั่นสงบเราจึงมีความดำริดังนี้ว่าถ้าเราเห็นโทษในอุเบกขาและสุขแล้วทำให้มากได้บรรลุอนิสงในจตุทัชฌานที่ไม่มีทุกข์และไม่มีสุขแล้วเสพอนิสงนั้น เป็นไปได้ที่จิตของเราเพึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นในจตุทัชฌานที่ไม่มีทุกข์และไม่มีสุขหลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าจตุทัชฌานนั่นสงบต่อมาเราได้เห็นโทษในอุเบกขาและสุขแล้วทําให้มากได้บรรลุอนิสงส์ในจตุทัชฌานที่ไม่มีทุกข์และไม่มีสุขแล้วเสพอนิสงส์นั้นจิตของเราจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นในจตุทัชฌานที่ไม่มีทุกข์และไม่มีสุข หลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าจตุทัชา น, นั่นสงบอานน o ์เราบรรลุเจตุทัชานที่ไม่มีทุกข์และไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสการที่ประกอบด้วยอุเบกขาย่อมฟุ้งขึ้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่เราทุกขพ์พึงเกิดขึ้นแก่คนผู้มีสุขเพียงเพื่อความกดดันฉันใด สัญญามนศษการที่ประกอบด้วยอุเบกหาย่อมฟุ้งขึ้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่เราชันนั้นอานอนท์เราจะมีความดำริดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรบรรลุอากาสานาัญจายตนะชาญโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานัตัสัญญาจิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งมั่นในอากาสานัญจายตนะฌานไม่หลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าอากาสารนัญจายตนะฌานนั่นสงบเราจึงมีความดำริดังนี้ว่าอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในอากาสารนัญจายตนะฌานไม่หลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าอากาสารนัญจายตนะฌานนั่นสงบเรามีความดำริดังนี้ว่า โทษในรูปทั้งหลายเรายังไม่ได้เห็นและไม่ได้ทำให้มากอานิสงส์ในอากาสาญนนจายตนะฌานเรายังไม่ได้บรรลุและไม่ได้เสพเพราะเหตุนั้นจิตของเราจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในอากาสาญนนจายตนะฌานไม่หลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าอากาสาญนนจายตนะฌานนั่นสงบเราจะมีความดาริดังนี้ว่า ถ้าเราได้เห็นโทษในรูปทั้งหลายแล้วทำให้มากได้บรรลุอนิสง์ในอากาสานัญนจายตนะฌานแล้วเสพอนิสงนั้นเป็นไปได้ที่จิตของเราจะพึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นในอากาส า, า, า, า, านัญจายตนะฌานหลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าอากาสานัญจายตนะฌานนั่นสงบต่อมาเราได้เห็นโทษในรูปทั้งหลายแล้วทำให้มาก ได้บรรลุอนิสง์ในอาการสานณนจายตนะฌานแล้วเสพอนิสง์นั้นจิตของเราจึงเล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นในอาการสานณจายตนะฌานหลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าอาการสานณจายตนะฌานนั่นสงบอานนท์เราบรรลุอาการสานณจายตนะฌานโดยกําหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิกะสัญญา ไม่กำนหนดนานาตสัญญาเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามานุิการที่ประกอบด้วยรูปยังฟุ้งขึ้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่เราทุกเพึงเกิดขึ้นแก่คนผู้มีสุขเพียงเพื่อความกดดันฉันใดสัญญามานุิการที่ประกอบด้วยรูปย่มฟุ้งขึ้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่เราฉันนั้นอานอนท์เราจึงมีความดำริดังนี้ว่า ทางที่ดีเราควรล่วงอากาสาญนนจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่จิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในวิญญาณจายตนะฌานไม่หลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าวิญญาณจายตนะฌานนั่นสงบเราจึงมีความดำริ ด, ดังนี้ว่า อะไรหนอแหลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในวิญญาณัญจายตนะฌานไม่หลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าวิญญาณัญจายตนะฌานนั่นสงบเรามีความดัมริดังนี้ว่าโทษในอาการสารนัญจายตนะฌานเรายังไม่ได้เห็นและไม่ได้ทำให้มากอานิสงในวิญญาณัญจายตนะฌานเรายังไม่ได้บรรลุและไม่ได้เสพ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 เป็นไปได้ที่จิตของเราจะเพึงเล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นในวิญญาณัญจายตนะฌานหลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าวิญญาณัญจายตนะฌานนั่นสงบต่อมาเราได้เห็นโทษในอากาสานัญจายตนะฌานแล้วทําให้มากได้บรรลุอนิสง์ในวิญญาณัญจายตนะฌานแล้วเสพอนิสง์นั้นจิตของเราจึงเล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นในวิญญาณัญจายตนะฌาน หลุดพน้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าวิญญาณัญจายตนะฌานนั่นสงบอานนท์เราล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญาณานสิการที่ประกอบด้วยอากาสานัญจายตนะฌานยังฟุ้งขึ้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่เรา เพิงเกิดขึ้นแก่คนผู้มีสุขเพียงเพื่อความกดดันชั้นใดสัญญามนุษการที่ประกอบด้วยอาการสารนัญจายตระหนชานย่อมฟุ้งขึ้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่เราชั้นนั้นอานน์เราจะมีความดำริดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรล่วงวิญญาณัญจายตนะหชานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะหชานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่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 เรามีความดำริดังนี้ว่าโทษในวิญญาณัญจายตนะฌานเรายังไม่ได้เห็นและไม่ได้ทําให้มากอานิสงส์ในอาคินจัญญาญตนะฌานเรายังไม่ได้บรรลุและไม่ได้เสภเพราะเหตุนั้นจิตของเราจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในอาคินจัญญาญตนะฌานไม่หลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าอาคินจัญญาญตนะฌานนั่นสงบเราจะมีความดำริดังนี้ว่า ถ้าเราเห็นโทษในวิญญาณัญจาญตนะฌานแล้วทําให้มากได้บรรลุอนิสง์ในอากินจัญญาญตนะฌานแล้วเสพอนิสง์นั้นเป็นไปได้ที่จิตของเราจะพึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นในอากินจัญญาญตนะฌานหลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าอากินจัญญาญตนะฌานนั่นสงบต่อมาเราได้เห็นโทษในวิญญาณัญจาญตนะฌานแล้วทําให้มาก ได้บรรลุอนิสงในอากินจัญญายตนะฌานแล้วเสรษฐอนิสงนั้นจิตของเราจึงเล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นในอากินจัญญายตนะฌานหลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าอากินจัญญายตนะฌานนั่นสงบอานนท์เราล่วงวิญญาณจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ สัญญาณนสิการที่ประกอบด้วยวิญญาณัญจายตนะฌานย่อมฟุ้งขึ้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่เราทุก์พึงเกิดขึ้นแก่คนผู้มีสุขเพียงเพื่อความกดดันฉันใดสัญญาณนสิการที่ประกอบด้วยวิญญาณัญจายตนะฌานย่อมฟุ้งขึ้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่เราฉันนั้นอานนท์เราจะมีความดำริดังนี้ว่า ทางที่ดีเราควรล่วงอาคินจัญญายตนาชาญโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนาชาญอยู่จิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในเนวสัญญานาสัญญายตนะชาญไม่หลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าเนวสัญญานาสัญญายตนาชาญ น, นั่นสงบเราจะมีความดําริดังนี้ว่า อะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานไม่หลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั่นสงบเรามีความดําริดังนี้ว่าโทษในอากินจัญญายตนะฌานเรายังไม่ได้เห็นและไม่ได้ทําให้มากอานิสง์ในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเรายังไม่ได้บรรลุ และไม่ได้เสพเพราะเหตุนั้นจิตของเราจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในเนวสัญญานาสัญญาญาตนะฌานไม่หลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั่นสงบเราจะมีความดํมฤตดังนี้ว่าถ้าเราเห็นโทษในอากินจัญญาญตนะฌานแล้วทําให้มากได้บรรลุอนิสง์ในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานแล้วเสพอนิสง์นั้น เป็นไปได้ที่จิตของเราพึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานหลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าเนวสัญญานาสัญญาญตนะฌานนั่นสงบต่อมาเราได้เห็นโทษในอากินจัญญายตนะฌานแล้วทําให้มากได้บรรลุอนิสง์ในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานแล้วเสพอนิสง์นั้นจิตของเราจึงเล่นไปเลื่อมใส ตั้งมั่นในเนวสัญญาณาสัญญายตนาชาญหลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าเนวสัญญานาสัญญายตนาชาญนั่นสงบอานนท์เราล่วงอากินจัญญายตนาชาญโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญาณาสัญญายตนาชาญอยู่เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนาุษการที่ประกอบด้วยอากินจัญญายตนาชาญย่องฟุ้งขึ้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่เรา พึงเกิดขึ้นแก่คนผู้มีสุขเพียงเพื่อความกดดันชันใดสัญญามนุกย์การที่ประกอบด้วยอาคินจัญญายตนะชาญย่อมฟุ้งขึ้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่เราชันนั้นอาน o ์เราจึงมีความดํำริดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะชาญโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทียินิโรธอยู่จิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใส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 โทษในเนวะสัญญานาสัญญายตนะชาญเรายังไม่ได้เห็นและไม่ได้ทําให้มากอานิสงส์ในสัญญาเวทียิตนิโรธเรายังไม่ได้บรรลุและไม่ได้เสพเพราะเหตุนั้นจิตของเราจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในสัญญาเวทียิตนิโรธไม่หลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าสัญญาเวทียิตนิโรธนั่นสงบเราจึงมีความดําริดังนี้ว่า ถ้าเราเห็นโทษในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานแล้วทําให้มากได้บรรลุอานิสงส์ในสัญญาเวทยียตินิโรธแล้วเสพอนิสงส์นั้นเป็นไปได้ที่จิตของเราจะเพลงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นในสัญญาเวทยียตินิโรธหลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าสัญญาเวทยียตินิโรธนั่นสงบต่อมาเราได้เห็นโทษในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานแล้วทําให้มาก ได้บรรลุอนิสงในสัญญาเวทยิตนิโรธแล้วเศรษอนิสงนั้นจิตของเราจึงเล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นในสัญญาเวทยิตนิโรธหลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าสัญญาเวทยิตนิโรธนั่นสงบอานนนเราล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่อาสะวะทั้งหลายของเราได้ถึงความหมดสิ้นแล้ว เพราะเห็นด้วยปัญญาอานนท์เมื่อใดอนุปุกพะวิหารสมาบัติ9ก้าประการนี้เรายังเข้าไม่ได้ออกไม่ได้ทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมอย่างนี้เมื่อนั้นเราก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ แต่เมื่อใดอนุปุปภวิหารสมาบัติก้าประการนี้เราเข้าก็ได้ออกก็ได้ทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมอย่างนี้เมื่อนั้นเราจึงยืนยันได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ก็แลญาทณทัศนะได้เกิดขึ้นแก่เราว่า เจโตวิมุตตของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกตะปุสสะสูที่10บจบมหาวักที่สจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อนุปุพระวิหารสูตร 2. ออนุปุพระวิหารสมาปฏิสูตร 3. นิพพานสุขะสูตร 4. ี่คาวีอุปมาสูตร 5. ชาชาณสูตร 6. อานันทสูตร 7. โลกายาติกะสูตร 8. เทวาสุรสังคามสูตร 9. นาคสูตร 10. ตาปุสสะสูตร สามั ญ, ญวักหมวดว่าด้วยสามั ญ, ญธรรมหนึ่งสัมภาทสูตรว่าด้วยวิธีบรรลุช่องว่างในที่คับแคบสมัยหนึ่งท่านพระอานนท์อยู่นคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีครั้งนั้นแลท่านพระอุทายีเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่สนทนาปราศัยกับท่านพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระอนนท์ดังนี้ว่าผู้มีอายุปัญจาลจจนทเทปบุตรดได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้ทรงหลีกเร้นอยู่ทรงเป็นพระมุนีผู้ประเสริฐได้ตรัสรู้ฌานแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีพระปัญญากว้างขวางได้ทรงรู้วิธีบรรลุช่องว่างในที่คับแคบผู้มีอายุ ที่คับแคบเป็นอย่างไรวิธีบรรลุช่องว่างในที่คับแคบพระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างไรท่านพระอานนท์กล่าวว่าผู้มีอายุกามคุณห้าประการนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าที่คับแคบกามคุณห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาอันหน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด 2. เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูละถึง 3. กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก 4. รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. โพโภทพะที่พึงรู้แจ้งทางกายอันหน้าปราถนาหน้าใคร่หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัดผู้มีอายุกล้ามาคุณห้าประการนี้แลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าที่คับแคบ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สังอาจจากกา ร, รมและอกุปโนธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสวิธีบรรลุช่องว่างในที่คับแคบโดยปริยายหนึ่งด้วยเหตุเพียงเท่านี้แม้ในปฐมฌานนั้นก็ยังมีที่คับแคบอะไรชื่อว่าที่คับแคบในปฐมฌานนั้นวิตกและวิจารณ์ที่ยังไม่ดับในปฐมฌานนั้นชื่อว่าที่คับแคบในปฐมฌานนี้ ภิกษุเพราะวิตกวิจารณ์สงบระงับไปบรรลุทุติยฌานอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสวิธีบรรลุช่องว่างในที่คับแคบโดยปริยายหนึ่งด้วยเหตุเพียงเท่านี้แม้ในทุติยฌานนั้นก็ยังมีที่คับแคบอะไรชื่อว่าที่คับแคบในทุติยฌานนั้นปีติที่ยังไม่ดับในทุติยฌานนั้นชื่อว่าที่คับแคบในทุติยฌานนี้ภิกษุ เพราะปิติจางคลายไปเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานพระผู้มีพระภาคตรัสวิธีบรรลุช่องว่างในที่คับแคบโดยปริยายหนึ่งด้วยเหตุเพียงเท่านี้แม้ในตติยฌานนั้นก็ยังมีที่คับแคบอะไรชื่อว่าที่คับแคบในตติยฌานนั้นอุเบกขาและสุขที่ยังไม่ดับในตติยฌานนั้น ชื่อว่าที่คับแคบในตติยฌานนี้ภิกษุเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสโทมนัสดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุทัชฌานอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสวิธีบรรลุถึงช่องว่างในที่คับแคบโดยปริยายหนึ่งด้วยเหตุเพียงเท่านี้แม้ในจตุทัชฌานนั้นก็ยังมีที่คับแคบอะไรชื่อว่าที่คับแคบในจตุทชฌานนั้น รูปสัญญาที่ยังไม่ดับในจตุตฌานนั้นชื่อว่าที่คับแคบในจตุตฌานนี้ภิกษุบรรลุอาการสานันจายตนะาฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่กำหนดนานาตสัญญาพระผู้มีพระภาคตรัสวิธีบรรลุช่องว่างในที่คับแคบโดยปริยายหนึ่งด้วยเหตุเพียงเท่านี้ แม้ในอากาสารัญจายตนะฌานนั้นก็ยังมีที่คับแคบอะไรช hm. ื่อว่าที่คับแคบในอาการาสารัญจายตนะฌานนั้นอากาสารัญจายตนะสัญญาที่ยังไม่ดับในอากาสารัญจายตนะฌานนั้นชื่อว่าที่คับแคบในอากาสานัญจายตนะฌานนี้ภิกษุร่วงอากาสารัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่พระผู้มีพระภาคตรัสวิธีบรรลุช่องว่างในที่คับแคบโดยปริยายหนึ่งด้วยเหตุเพียงเท่านี้แม้ในวิญญาณัญจายตนะฌานก็ยังมีที่คับแคบอะไรชื่อว่าที่คับแคบในวิญญาณัญจายตนะฌานนั้นวิญญาณัญจายตนะสัญญาที่ยังไม่ดับในวิญญาณัญจายตนะฌานนั้น ชื่อว่าที่คับแคบในวิญญาณัญจายตนะฌานนี้ภิกษุล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญาญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสวิธีบรรลุช่องว่างในที่คับแคบโดยปริยายหนึ่งด้วยเหตุเพียงเท่านี้แม้ในอากรินจัญญญายตนะฌานก็ยังมีที่คับแคบ ไรช uh, <the> <86 Projekt ación> ื่อว่าที่คับแคบในอากินจัญญาญาตนะฌานนั้นอากินจัญญาญตนะสัญญาที่ยังไม่ดับในอากินจัญญายตนะฌานนั้นชื่อว่าที่คับแคบในอากินจัญญาญตนะฌานนี้ภิกษุล่วงอากินจัญญาญตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสวิธีบรรลุช่องว่างในที่คับแคบโดยปริยายหนึ่ง ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แม้ในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานก็ยังมีที่คับแคบอะไรชื่อว่าที่คับแคบในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาที่ยังไม่ดับในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นชื่อว่าที่คับแคบในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนี้ภิกษุ ล่วงเนวสัญญาณาสัญญายตนาชาญโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่อาสะวะทั้งหลายของเธอหมดสิ้นแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคปาดวิธีบรรลุช่องว่างในที่แคบแคบโดยนิปรยายแล้วด้วยเหตุเพียงเท่านี้สัมภาทสูตรที่หนึ่งจบ สกายสักขีสูตรว่าด้วยบุคคลผู้เป็นกายสักขีท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากายสักขีกายสักขีผู้มีอายุด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกบุคคลว่ากายสักขีท่านพระอา น, นุ์ตอบว่าผู้มีอายุ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สังอาจจา ก, กามละถึงบรรลุปถมฌานละถึงและอายตนะคือปฐมฌานนั้นมีอยู่โดยประการใดๆเธอสัมผัสอายตนะคือปถมฌานนั้นด้วยกายโดยประการนั้นๆอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรื่อบุคคลว่ากายสักขีโดยปริยายแล้วภิกษุบรรลุทุติยฌาน บรรลุตติยฌานบรรลุจตุตถฌานและอายตนะคือจตุตถฌานนั้นมีอยู่โดยประการใดๆเธอสัมผัสอายตนะคือจตุตถฌานนั้นด้วยกายโดยประการนั้นๆอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียบบุคคลว่ากายสักขีโดยปริยายแล้วภิกษุบรรลุอากาศานัญญาตนะฌา น, านาโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่ เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานาตัสัญญาและอายตนะคืออาการสารนันจายตนะฌานนั้นมีอยู่โดยประการใดๆเธอสัมผัสอายตนะคืออาการสารนันจายตนะฌานนั้นด้วยกายโดยประการนั้นๆอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรื่องบุคคลว่ากายสักขีโดยปริยายแล้ว ภิกษุล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะชาญโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิทนิโรธอยู่อาสะวะทั้งหลายของเธอหมดสิ้นแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาและอายตนะคือสัญญาเวทยิทนิโรธนั้นมีอยู่โดยประการใดๆเธอสัมผัสอายตนะคือสัญญาเวทยิทนิโรธนั้นด้วยกายโดยประการนั้นๆด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรื่อบุคคลว่ากายสักขี ด้วยนิปริยายแล้วกายสัพพีสูตรที่สองจบสปัญญาวิมุตตสูตรว่าด้วยบุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุตท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีประภาคตรัสเรียกบุคคลว่าปัญญาวิมุตปัญญาวิมุตผู้มีอายุด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกบุคคลว่าปัญญาวิมุตต์ท่านพระอานนท์ตอบว่าผู้มีอายุภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและถึงบรรลุปถมฌานและถึงและเธอย่อมรู้ใาปปฐมฌานนั้นด้วยปัญญาด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกบุคคลว่าปัญญาวิมุตตโดยปริยายแล้วละถึง ภิกษุที่ดีเราควรบรรลุอากาสานัญญายาตนะฌานโดยกําหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กําหนดนานาตัสัญญาจิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในอากาส า, า, า, า, านัญญายตนะฌานไม่หลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าอากาสานัญจาญตนะฌานนั่นสงบเราจึงมีความดำริดังนี้ว่า อะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในอากาศสารนัญจายตนะฌานไม่หลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าอากาศสารนัญจายตนะฌานนั่นสงบเรามีความดำริดังนี้ว่าโทษในรูปทั้งหลายเรายังไม่ได้เห็นและไม่ได้ทำให้มากอนิสงส์ในอาการส า, า, า, า, านัญจายตนะฌานเรายังไม่ได้บรรลุและไม่ได้เสพ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 เป็นไปได้ที่จิตของเราจะพึงแล่นไปเรื่อมใสตั้งมั่นในอากาสานัญจายตนะาฌานหลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าอากาสานัญจายตนะาฌานนั่นสงบต่อมาเราได้เห็นโทษในรูปทั้งหลายแล้วทำให้มากได้บรรลุ อ, อนิสงในอากาสานัญจายตนะฌานแล้วเสพอนิสงนั้นจิตของเราจึงแล่นไปเรื่อมใสตั้งมั่นในอากาสานัญจายตนะฌาน หลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าอากาสานัญจายตนะชา น, นั่นสงบอานน์เราบรรลุอากาสานัญจายตนะชาณโดยกําหนดว่าอากาดหาที่สุดมิได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กําหนดนานาตสัญญาเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการ